มาถึงกุฏิคุณหญิงปทุมทิพย์ไม่พบนายขุนทองจึงถามบุรุษวัยห้าสิบเศษที่นั่งอยู่เพียงผู้เดียวตรงหน้าอาสนะไปไหนกันหมดหลวงพ่ออยู่หรือเปล่าอยู่กรบท่านอยู่ข้างบนกำลังฉันเพลงเขาตอบงั้นช่วยขึ้นไปเรียนท่านด้วยว่าเสร็จแล้วให้ลงมาพบคุณหญิงปทุมทิพย์หน่อยคนใหญ่ผิดที่บัญชา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 หันมะค้อนแล้วว่าก็ไปมาแล้วแต่มันไม่สำเร็จฉันเสร็จท่านพระครูรีบลงรับแขกโดยไม่อยากให้ญาติโยมต้องรอนานท่านสั่งให้ในายขุนทองไปตามพัญญาของบุรุษนั้นมาแล้วจัดการตามที่ได้ลั่นวาจาเอาไว้บุรุษไวัยใกล้ห0สิบก้มลงกราบขอขมาคนเป็นเมียต่อหน้าท่านพระครู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 ทำไมหลวงพ่อทราบคะดิฉันอุตสาซอนมาอย่างดีดิฉันเจ็บใจคะ่ะคราวนี้เธอร้องไห้เพราะความรับแคนใจแล้วการทำอย่างนั้นจะช่วยให้คุณหญิงหายเจ็บใจหรือคนเป็นคุณหญิงไม่ตอบได้แต่ก้มหน้าร้องไห้กระซิกกระซิอตมาขอบิณฑ บ, บาตเถิดนะ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 แล้วกรรมนั้นมันติดตัวมาเกินห0สเปอร์เซนตอาตมาวิจัยไว้แล้วว่าใครก็ตามที่ผิดศีลข้อสาและบาปนั้นติดตัวมาเกินห0สบเปอร์เซนรับรองได้ว่ามีสามีสามีก็ต้องมีเมียน้อยมีพันยาพันยาก็มีชู้และถ้ามาในชาตินี้ ยังเลิกไม่ได้บาปกรรมก็จะตกกับลูกหลานมีตัวอย่างแล้วเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี้เองสามีเป็นนายพลเจ้าชู้มากมีลูกสาวสามคนไปเป็นโสเพณีหมดเพราะพ่อเจ้าชู้ลูกก็เลยต้องรับกรรมมาร้องไห้กับอตมาทั้งผัวทั้งเมียเพิ่งกลับไปเมื่อสักครู่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 กับผู้ชายอายุห1อจะอยู่กันไปได้สักกี่น้ำคุณหญิงไม่ต้องไปทำอะไรเขาหรอกถ้าจะให้ดีก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้เขามีความสุขความเจริญกันคุณหญิงประทุมทิพย์รีบคานว่าดิฉันทำไม่ได้หรอกค่ะมันฝืนกับความรู้สึกที่แท้จริงทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำ แต่อาตมาขอเตือนนะอย่าไปทำร้ายเขาอย่างที่คิดใครๆก็มีกรรมด้วยกันทั้งนั้นอาตมาเห็นกฎแห่งกรรมของท่านรัฐมนตรีแล้วอีกห้าปีคุณหญิงก็จะรู้อย่างที่อาตมารู้และเห็นอย่างที่อาตมาเห็นไปจดไว้ได้เลยนะว่าปี2522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 ดิฉันเกลียดนังเด็กนั่นเกลียดลูกของมันด้วยคุณหญิงเคยเห็นลูกเขาแล้วหรือถึงได้เกลียดยังไม่เคยค่ะตัวแม่มันดิฉันก็ยังไม่เคยเห็นแล้วทำไมต้องไปเกลียดละ่ะเอาเถอะต่อไปข้างหน้าคุณหญิงจะรักเด็กคนนี้จำคำของอาตมาไว้ก็แล้วกันว่าคุณหญิง จะรักลูกของเขาเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะใครจะไปรักลูกของศัตรูเธอเถียงรักหรือไม่รักก็คอยดูไปก็แล้วกันอาตมาจะไม่เถียงกับคุณหญิงหรอกเถียงไปก็เปล่าประโยชน์รอให้เวลานั้นมาถึงแล้วค่อยพูดกันใหม่ ตกลงหลวงพอ่อจะไม่บอกดิฉันจริงๆหรือคะว่ามันอยู่โรงพยาบาลอะไรบอกไม่ได้หรอกคุณหญิงไว้คุณหญิงหายโกรธแค้นหายอาฆาตเขาเสียก่อนแล้วอัตมาจะบอกตกลงไหมตกลงค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันเลิกโกรธแค้นเลิอกอาฆาตพยาบาลก็ได้หลวงพอ่อกรุณาบอกดิฉันถึกค่ะ เออ้อนวอนอาตมาก็ขอยืนยันอยู่อย่างเดิมว่าบอกไม่ได้เพราะคุณหญิงเลิกแต่ปากส่วนใจนั้นยังโกรธยังอาฆาตเต็มร้อยเปอร์เซ็นย่ามาพูดปดกับอาตมาเลยอาตมารู้ทั้งนั้นแหละเรื่องอย่างนี้ใครจะมาโกหกอาตมาไม่ได้เอาอย่างนี้นะ อาตมาจะยกตัวอย่างโทษของความโกรธความริษยาอาฆาตให้คุณหญิงฟังสักเรื่องเล่าย่อๆนะคือเรื่องของเจ้าหญิงโรฮินีซึ่งเป็นพระคณิ t ฐาของพระอนุรุทธเถระและเป็นพระญาติของพระพุทธองค์หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จ เทศนาโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ได้เสด็จมายัง ก, กรุงกบิลพัทเพื่อโปรดพระพุทธบิดาเป็นครั้งที่สองพระอนุรุทธะเทวะก็ตามเสด็จด้วยบรรดาพระประยุรญาตต่างพากันมาเข้าเฝ้ายกเว้นเจ้าหญิงโรฮินีผู้ซึ่งเป็นโรคผิวหนังผุพอง ทั่วพระวรากายดูน่าเกลียดมากจึงไม่ยอมมาเข้าเฝ้าพระอนุรุทธะเทวะจึงเสด็จไปยังพระตำหนักของพระคณิ t ฐาเจ้าหญิงโรฮินีกราบทูลพระเชศฐาถึงสาเหตุที่ไม่ยอมไปเข้าเฝ้าและทูลถามว่าพระนางเคยทำกรรมอะไรไว้จึงได้มีร่างกายผู้พองน่าเกลียดเช่นนี้ พระอนุรุทธเทระตรัสเล่าปุปพกรรมแต่ครั้งอดีตชาติให้พระคณิ t ฐาฟังว่าสมัยหนึ่งพระนางได้เกิดเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพรมทัตแห่งเมืองพาราณสีพระเจ้าพรมทัตมีพระสนมหลายคนคนหนึ่งเป็นนางรำรูปร่างหน้าตาสวยงาม จึงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพระมทัตมากกว่าใครๆเพราะมเหสีมีจิตฤทธิ์ศในานางรำผู้นั้นวันหนึ่งจึงแอบนำผงเต่าร้างไปโรยไว้ในกระปุกใส่แป้งของนางคุณหญิงรู้จักผงเต่าร้างหรือเปล่าท่านเจ้าของกุติถามคนเป็นคุณหญิงไม่ทราบค่ะเธอตอบ หมามุยใช่ไหมคันหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งตอบและถามในประโยคเดียวกันถูกแล้วคุณหญิงรู้จักหมามุยหรือเปล่าคุณหญิงปทุมทิบถูกถามอีกทราบค่ะเห็นคาว่าคันอย่าบอกใครนั่นแหละนั่นแหละพระมเหสีก็เอาผงเต่าร้างไปโรยไว้ในกระปุกแป้งของนางรำ เพราะความริ์เสีเมื่อนางทาแป้งก็เกิดอาการคันและมีตุ่มผืนคันผุพองทั่วรางทำให้ได้รับทุกขเวทนาเป็นอันมากจากผลกรรมนั้นทำให้เจ้าหญิงโรฮินีต้องมาเป็นโรคผิวหนังญาติโยมอย่าลืมนะว่าโรคกรรมนั้นไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้ เหมือนอย่างเจ้าหญิงโรฮินีที่แพทย์หลวงกี่คนกี่คนก็ไม่สามารถรักษาได้เมื่อพระนางได้ทราบกรรมครั้งอดีตชาติแล้วจึงทูลถามพระอนุรุธทธะเถระว่าจะแก้กรรมได้อย่างไรต้องเข้ากรรมฐานใช่ไหมครับบุรุษผู้หนึ่งตอบมาวัดนี้ท่านสมพา์พูดแต่เรื่องกรรมฐานกรรมฐาน ใครจะแก้กรรมก็ต้องมาเข้ากรรมฐานท่านพระครูยิ้มด้วยนึกคำในคำตอบของบุรุษนั้นจึงสรพยอกคะว่าถ้าเจ้าหญิงโรฮินีมาที่วัดนี้อจตมาก็คงจะให้เข้ากรรมฐานแต่บังเอิญพระนางไม่ได้มาแล้วพระอนุรุธทธาเทระท่านส่งแนะนำให้พระคณิฐาททำอย่างไรเพคะ คุณหญิงถามผู้ที่นั่งฟังพากันหัวเราะคำถามของคนเป็นคุณหญิงซึ่งลงท้ายด้วยเพคะท่านเจ้าของกุฏิเองก็ขำท่านทรงแนะนำให้พระคณิฐาขายเครื่องประดับทั้งหมดที่มีอยู่แล้วนำทรัพย์ที่ได้ไปสร้างเป็นสาลาที่พักของพระภิกษุที่เดินทางไกลผ่านมายังเมืองนี้ให้ท่านได้รับ ความสะดวกมีทั้งที่พักและอาหารในยามค่ำคืนก็จุดประทีปโคมไฟให้แสงสว่างแก่ท่านเจ้าหญิงโรฮินีทรงทำตามคำแนะนำของพระเชศฐาแผลผุพองนั้นก็ค่อยๆหายไปหายไปจนในที่สุดพระนางก็มีผิวพรรณผุดพอง สวยงามเหมือนแต่ก่อนและในเวลาต่อมาก็ได้บรรลุโสดาปฏิพันเป็นพระโสดาบันเล่าจบท่านเจ้าของกุฏิจึงถามคนเป็นคนหญิงว่าคุณหญิงเห็นโทษของความอาฆาตพยาบาทหรื อ, อยังนี่ขนาดเอาผงเต่าร้างใส่ลงไปในแป้งก็ยังต้องมาเป็นโรคผิวหนัง ผู้พองหน้าเกลยียดแล้วถ้าเอาน้ำกรดไปศาสร์เขาจะต้องรับกรรมสาหัสสากรสักเพียงใดอาตมาถึงต้องขอบิณฑบาตไงละ่ะตกลงค่ะดิฉันยกให้ที่หลวงพ่อขอบิณฑบาตดิฉันยินดียกให้พูดจบก็เปิดกระเป๋าถือหยิบขวดน้ำกรด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 เขาว่าคนเกิดวันจันทร์ชื่อจะต้องไม่มีสระเพราะจะเป็นกาลกินีอาตตมาก็บอกไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนชื่อรวยแต่จนก็มีคนที่ชื่อสวยแต่ขี้เร่ก็มีนี่ที่วัดนี้มีคนเข้ามาบอกอาตตมาว่าพรุ่งนี้จะพาลูกสาวชื่อสวยมากราบอัตมา ตอนนั้นอาตมาก็ยังหนุ่มอายุสักยี่สิบกว่ากว่าโอ้โหคืนนั้นนอนไม่หลับเลยนึกถึงแต่หน้าแม่คนที่ชื่อสวยแล้วก็วาดภาพไว้ว่าคงจะสวยหยาดเยิมเหมือนเพชรราพอรุ่งเช้าเขาก็มาสวยไม่ค่าหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งกระเซา ท่านตอบว่าสวยสิโอ้โหแม่สวยคนนี้สวยจริงจริงแต่สวยน่าเกลียดพิลึกตัวดำตาติแถมฟันยื่นอาตมาตจะเป็นลมเสิให้ได้นี่ถ้าอาตมาตเชื่อหมอดูก็คงจะแนะนำแม่เขาให้เปลี่ยนชื่อลูกสาวเสียใหม่แล้วละ่ะเปลี่ยนเป็นอะไรคะ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 บอกไอ้โง่ชื่อบุญช่วยก็ดียู่แล้วสึกไปเปลี่ยนเป็นสมศักดิ์สมบ้าอะไรก็ไม่รู้นี่เห็นไหมอยากไม่เชื่ออาตมาคนฟังพากันหัวเราะครื้นเครงเพราะขำในเรื่องที่ท่านเล่าแต่ของผมมันไม่เหมือนกับที่หลวงพ่อเล่านะครับในพันว่าไม่เหมือนอยังไงล่ะผู้พัน คือตัวผมเองไม่อยากเปลี่ยนและผมก็เป็นคนไม่เชื่อหมอดูเมียก็ไม่ด่าผมแต่ที่ผมอยากเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลเพราะผมติดแงกอยู่แค่พันเอกพิเศษมาหลายปีแล้วขอเลื่อนขึ้นเป็นในพลเพราอนายเขาเห็นชื่อก็ฉีกทิ้งทุกทีเขาว่าผมปากเสียก็ผมเป็นคนตรงนายทำไม่ดีไม่ชอบเช่นชาวราดบางหลวงร่วมมือกับพวกพ่อค้าตัดไม้ทาลายป่า ผมก็ว่าโดยไม่เกรงใจเขาก็เลยว่าผมปากเสียแล้วก็ไม่ยอมเลื่อนให้ผมเป็นในพลทั้งที่ผลงานผมมีมากผมก็เลยจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเสีใหม่เพื่อตกตานายได้เป็นในพลเมื่อไหร่จะเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อเดิมนามสกุลเดิมทันทีหลวงพ่อกรุณาเปลี่ยนให้ผมด้วยเถอะครับตกลงตกลงก็รณีนี้อนุโลมได้เอาล่ะ ดี๋ยวอาตมาจะเปลี่ยนให้เจ้าไปเลยแล้วก็เสกให้ด้วยรับรองผู้พันได้เป็นนายพลแน่อาตมารับรองพันเปอร์เซนขอบพระคุณครับได้เป็นนายพลเมื่อไหร่ผมแก้แค้นไอ้นายเฮงซวยคนนี้แน่แนผมเป็นคนตรงครับใครดีก็ว่าดีใครชั่วก็ว่าชั่วไม่เหมือนไอ้พวกที่ชอบเลียแข้งเลียขานายเลวยังไง มันก็ยกยอว่าดีนายมีเมียน้อยไปยังเมียชาวบ้านมามันก็ยกย่องเมียน้อยนายบางคนถึงกับเกาะชายกระโปรงเมียน้อยนายขึ้นมาเป็นนายพันนายพลแต่ผมทําอย่างนั้นไม่ได้มันละอายใจและผมก็ว่าด้วยไม่กลัวใครทั้งนั้นนายเขาเลยไม่ชอบผมแล้วก็หาว่าผมปากหมาคนเล่าหยุดหายใจท่านพระครูหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งเขียนชื่อ และนำสกุลให้เขาใหม่แล้วพับใส่ซองหลับตาทำปากขมุกขมิบเป่าเพียงๆสองครั้งแล้วส่งให้ในายพันเอกพิเศษเอารับรองชื่อนี้ได้เป็นนายพลแน่แล้วอย่าลืมเปลี่ยนกลับเซนเล่ากลับมาใช้ชื่อเดิมที่พ่อแม่ตั้งให้ครับผมขอกราบขอบพระคุณมากครับโอกาสนี้ผมขอถวายปัจจัยแด่หลวงพ่อ ไว้สําหรับใช้สอยส่วนตัวเขาประเคนซองสีขาวแก่ท่านอ๋อขาด่างเปลี่ยนชื่อหรือท่านถามยิ้มยิ้มหาไม่ได้ครับผมตั้งใจจะทำบุญอยู่แล้วครับเขากราบสามครั้งแล้วจึงลุกออกไปหลวงพ่อคะก็ไหนหลวงพ่อเคยพูดว่าไม่ชอบทางเสกเป่าแล้วทำไมวันนี้ หลวงพ่อทั้งเสกทั้งเป่าให้ผู้พันคนนั้นล่ละคะสตรีผู้หนึ่งทักท้วงมันจำเป็นนยโยมกดทุกกดก็ยังต้องมีข้อยกเว้นแล้วทำไมกฎของอาตมาจะมีข้อยกเว้นบ้างไม่ได้คืออย่างนี้นยโยมใครที่มีทุนเดิมอยู่ห0สบเปอร์เซนแล้วอาตมา ถึงจะช่วยไม่ใช่ช่วยสุ่ม 4, สี่สุมห้าอย่างรายนี้เขาต้องได้เป็นนายพลแน่ๆอยู่แล้วอาตมาก็เลยช่วยลุ้นเขาหน่อยเอาละ่ะใครมีอะไรก็ว่าไปเวลาสามทุ่มแขกคนสุดท้ายลุกออกไปแล้วหากท่านพระครูยังไม่ยอมลุกจากอาสนะ นายสมชายจึงถามว่าลุงพ่อเหนื่อยจนลุกไม่ไหวหรือเปล่าครับผมจะช่วยประคองขึ้นไปข้างบนนะครับไม่ต้องหรอกแขกกาลังมาอีกรายหนึ่งเจ้าหมีมันวิ่งออกไปรับถึงหน้าประตูวัดแน่ท่านเห็นเป็นไปได้หรือครับเจ้าหมีมันไม่เคยเป็นมิตรกับใครทำไมเกิดจะไปญาติดีกับรายนี้ก็เียมัน มันมีสักเป็นปู่ทวดของแขกรายนี้เห็นไหมพอเขาลงจากรถมันก็เข้าไปเลียแข้งเลียขาเลียหมดทุกคนทั้งลูกลูกเขาด้วยผมไม่เห็นหรอกครับเพราะผมมองทะลุฝายัางหลวงพ่อไม่ได้ชายหนุ่มว่าถ้าอยากทำได้ก็ต้องหมั่นปฏิบัติกรรมฐานผมว่าผมอยู่อย่างนี้ดีแล้วครับ คืนเก่งเหมือนหลวงพ่อผมคงทนไม่ได้ทำงานทั้งวันทั้งคืนแถมได้นอนเวละแค่สองชั่วโมงพอดีกับเจ้าหมีนำอาคัรตุกะเข้ามาในกุฏิเป็นชายวัยสามสิบเศษมากับพัญยาวัยเดียวกันพ่วงท้ายด้วยบุตรชายหญิงไวัยไล่เลี่ยกันถึงห้าคนหลวงพ่อครับผมต้องขอโทษที่มารบกวนในยามวิการ โยมมาจากไหนละ่ะท่านถามเหลนเจ้าหมีคนเป็นปู่ทวดส่งเสียงงี้งงาดแล้วก็เดินเลียลูกของเหลนอย่างรักใคร่จนครบทั้งห้าคนผมมาจากภูเก็ตครับทำเมืองแรกอยู่ที่นั่นผมกำลังจะพาครอบครัวไปเที่ยวเชียงใหม่เพื่อนเขาสั่งมาว่าให้แวะกราบลงพ่อที่วัดป่ามะม่วงให้ได้เขาบอกว่าพอถึงกิโลเมตรที่ร้อยสสิบก็ให้เลี้ยวรถเข้าไป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 ไปมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เขาด้วยผมขอถวายหนึ่งมื่นบาทครับเขาประเคนซองสีขาวแด่ท่านเจ้าของกุฏิอาตตมาขออนุโมทนาในกุศลจิตของโยมและครอบครัวตกลงอาตตมาจะจัดการให้ตามความประสงค์และจะตั้งชื่อทุนนี้ว่าทุนเสริมสมอง ถ้าใครจะมาสมทบอีกอาตมาก็จะได้ตั้งเป็นมูลนิธิการช่วยให้คนยากจนได้เรียนหนังสือมีอนิสงค์คือลูกหลานของเราจะได้เรียนหนังสือเก่งและได้เป็นเจ้าคนนายคนอาตมาขออนุโมทนาเมื่อเขาลากลับเจ้าหมีก็กุลีกุจจอไปส่งถึงรถ เรียแข้งเรียกขาเลนและลูกๆของเลนวิ่งตามรถเบนท์คันนั้นไปจนถึงประตูหน้าวัดแล้วก็ไม่ได้กลับเข้ามานอนที่กุฏิชั้นล่างเหมือนดังแต่ก่อนท่านพระครูรู้ว่ามันจะลาโลกนี้ไปในวันรุ่งขึ้นเพราะหมดห่วงแล้วเลนของมันได้มาทำบุญที่วัดป่ามะม่วงตามที่มันคาดหวังและรอคอยมานาน